สิกขาบทที่หภิกษุณีให้ที่พักแก่ภิกษุณีแล้วโกรธไม่พอใจฉุดลากออกไปต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังฉุดลากออกไปต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อฉุดลากออกไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตี